เป็นที่น่าสังเกตถ้าหากว่าเราศึกษาเทราคาถาและเทรีคาถาเนี่ยนะผู้ที่มีคุณสมบัติที่เรียกว่าเป็นผ้าอรหรันเพราะว่าในเทราคาถาเทรีคาถานั้นเอาข้อความเฉพาะของผ้าอรหันอย่างเดียวมาแสดงไว้เนี่ยนะผ้านาคามีไม่เอามาพระโสสกทาคามีพระโสดาบันไม่เอามาในในเทราคาถาและเทรีคาถาเนี่ยนะท่านเหล่านั้นอ่านเถอะ ทุกๆคนเนี่ยนะมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธเจ้ามากานะจะแสดงออกมาในรูปแบบของคนมีศรัทธาซะส่วนใหญ่เนี่ยนะเพราะว่าไอ้สัตทินรีเนี่ยจะมีกําลังมากทุกคนเนี่ยจะเคารพจะนบนอกจะมีความมั่นคงในในพระตถาคตเนี่ยค่อนข้างมากจริงๆงนะมากชนิดที่ว่าไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะนะ เ, เหมือนกับภรรยาพราหมณ์ที่ว่าไปาเนี่ยฆ่าได้แต่ว่าคงเลิกนับถือไม่ได้หรอกเลิกนับถือพระพุทธเจ้าไม่ได้ เพราะเขาเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าคือใครเนี่ยนะเขาบอกว่าคนที่รู้อา น, นิสงส์หรือรู้คุณของพระพุทธเจ้าที่จะไม่นับถือพระองค์ไม่มีขอให้รู้คุณนะแต่ที่เราไม่นับถือซะส่วนใหญ่เป็นตัวเนี่ยเพราะไม่รู้คุณของพระองค์ว่าพระองค์นี่มีคุณยังไงเช่นอ่ะอรหันตคุณเนี่ยนะดียังไงอรหันตคุณเนี่ยสัมมาสัมพุทโธ ค, คุณคือพระความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระองค์นี่ดียังไง คุณคือวิชาจารณะสัมปันโนเนี่ยดียังไงสุขโตเนี่ยนะไปดีแล้วเนี่ยไปดีแล้วไปยังไงที่เรียกว่าสุขโตก็คือไปดีเพราะไปตามอริ ย, รยมรรคไปไหนนะอริยมรรคไปสู่ที่ไหนไปสู่พะนิพานนั้นสุขโตก็คือไปตามอริยมรรคไปสู่พะนิพานหรืออีสุขโตอย่างหนึ่งก็คือไม่กลับมาหากิเลส ท, ที่ทรงและแล้วไปแล้วไปเลยมังั้นแ ถกิเลตตั้งแต่โสดาปฏิมากระแล้วจะไม่หวนกลับมาอีกเป็นสกะธาคามีแล้วจะไม่หวนกลับกิเลติละแล้วเป็นพธานาคามีจนถึงเป็นธรหันแล้วไม่ย้อนกลับมาหากิเลส ท, ที่ละแล้วนี่เรียกวสุขโตแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาคาว่าสุขโตก็คืออารมณ์ใดๆที่ท่านเห็นเนี่ยนะจะไม่เอียงไปตามสัสตตทิฏฐิและอุดเฉททิฏฐิเนี่ยนะข้อปฏิบัติของท่านจะไม่เป็นอัตตากิลามฐานุโยกจะไม่เป็นการมัสุขเลกานุโยค เดินตามอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ตามแนวมัชชิมาปฏิปทาอย่างเดียวเนี่ยนะปฏิบัติตามสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและก็สัมมาสมาธิอย่าลืมว่าองค์มรรคเหล่านี้เป็นทั้งโลกิยะและโลกุตระโลกิยะกุศลธรรมเหล่านี้ก็เป็นไปเพื่อโลกุตระกุศลธรรมอย่างเดียวเนี่ยนะพระองค์จะไม่เอียงไปในลักษณะอัตากิลมัทานุโยก หรือไม่ก็แสวงหาความสุขจากอารมณ์ทั้งหลายด้วยอำนาจตามไม่มีเนี่ยนะแล้วพระองค์นั้นพระวาจาทุกอย่างที่พระองค์เนี่ยนะพระวาจาของพระองค์เนี่ยน้อมไปเพื่อธรรมะของพระองค์เนี่ยนะแบบแผนเหล่านี้เพื่ออะไรสวารขาโตเพื่ออะไรเขาบอกว่ามีบทสวดมนต์อยู่บทหนึ่งเรียกว่าธรรมะที่เป็นโลกุตระ และส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นเพราะฉะนั้นคำสอนทั้งหมดนี่คือคำสอนที่ชี้แนวแห่งโลกุตระอย่างเดียวเเพราะฉะนั้นธรรมะทุกๆบททุกๆคำสอนมีรสเดียวคือวิมุติรสเนี่ยนะเป็นไปเพื่อโลกุตระธรรมอย่างเดียว<ม>อันนี้เรื่องอินทรีสังวรนี่ก็คงจบนะ ม, มีมีใครมีอะไรน่ากล่าวบ้างไหม ผมเชื่อว่าคงจะเข้าใจสังวรเข้าใจในหลักการนะแต่ว่าเวลาสังวรจริงๆนี่ไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันนะครับท่านกรา บ, บอกว่าผู้ที่จะสังวรได้หมายความว่าผู้ที่นั้นจะต้องมีอินรีห้าจึงจะมาสังวรได้ตอนนี้อินซี<ช>ห้าแต่ละคนก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็ ก, ก็เบาๆด้กันทั้งนั้นนีนี่ยหเพราะเพราะฉะนั้นก็ ก็ขาดอาหารกังนงั้นเลยนะสัตทินศรีก็ขาดอาหารแต่ก็ทําตามกําลังความสามารถอัษฐานสติยถาพลังมนานะิกร ومة จากทําในใจอยู่จากปฏิบัติตามอยู่แต่ก็เป็นไปตามสติและกําลังนงั้นมีแรงน้อยก็ยกแต่น้อยแต่ถ้าใครไม่สังวรนะก็ก็เท่ากับไม่ได้ไม่ได้ศึกษาในไกลชิกขานะ ก็โลภะมันเกิดมันก็ไม่ใช่สิกขานนะโทสะเกิดก็ไม่ใช่สิกขาโมหะเกิดก็ไม่ใช่สิกขานนะแต่ว่าขณะนั้นนั้นเขาก็ประมาททีนี้ถ้าใช้คำว่าประมาทเมื่อไรนี่นะบางทีคนเราทั่วไปส่วนใหญ่แล้วไม่นึกคํหนึ่งถึงโทษภัยของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเลยว่าภัยของการประมาทเนี่ยมีอะไรบ้าง ถ้าหากว่าเราเอาคำนี้มาตรึกมากๆเนี่ยคำว่าประมาทนี่มีโทษขนาดไหนเไมไม่ประมาทเนี่ยมีคุณอย่างไรนะถ้าเอาาเอาคำนี้ไปเพ่ง เ, เพราะว่าคำว่าไม่ประมาทเนี่ยพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยคือไม่ประมาทถ้าประมาทก็คือนอกคาสอนถ้าประมาทซะอย่างมีผลอย่างไรบ้างเห็นลองเอาเรื่องนี้ไปตรึกดูนะหรือคิดอย่างนี้อีกในหนึ่งว่าถ้าเราเห็นอะไรอย่างหนึ่งแล้วเนี่ย ถ้าโลภะเกิดมีโทษอย่างไรบ้างเนี่ยนะในฐานะเราศึกษาคำสอนมาแบบนี้แล้วเนยะโลภะ เ, เกิดมีโทษอย่างไรบ้างว่าโลภะเกิดมีโทษยังไงมีโทษแค่ไหนยังไงนะถ้าโทสะเกิดนี่มีโทษยังไงนะก่อความเสียหายอะไรบ้างอย่างเียเอามาตรึกเนี่ยนะคิดดูนะแต่ของมานี่เคยตรึกนะจะเล่าให้ฟังนะ <c oughs> ถ้าเราเห็นอารมณ์หนึ่งอารมณ์แล้วถ้าเราเกิดโทสะขึ้นเนี่ยอะไรก่อความเสียหายอะไรให้แก่เราบ้างนะคือถ้าสมัญนาเพศมันนึกง่ายใช่ไหมเออการบวชนี่บวชเพื่อสิกขาสามใช่ไหมอย่างเงี้ยเเอาเรื่องนี้มาคิดกันบอกใช่ถ้าโกรธเนี่ยอธิศีลสิกขามีไหมไม่มีอธิจิตตสิกขามีไหมไม่มีอธิปัญญาสิกขามีไหมไม่มีไล่แบบนี้ไปก่อนเออเนี่นะถ้าโกรธเนี่ยเป็นเจตนาศีไหมไม่เป็น เป็นเจตสิกสีนไหมไม่เป็นเป็นสังวรศีนไหมไม่เป็นอีกเป็นอวีติกมะไหมไม่เป็นเออนี่ถ้าโกรธแบบนี้บ่อยๆนี่รองรับปุสธรรมชั้นสูงไหมไม่รองรับกายกรรมก่อนละเมิดวิจีกรรมก่อนละเมิดอันนี้มันสร้างความทุศีลให้แล้วนี่ตรงกันข้ามกับการมีศีลหมดเล ย, ยนะแล้วขณะที่โกรธแบบนี้เนี่ยนะมีฮิริโอตะปะไหมอายชั่วกลับาปไหมไม่อายชั่วกลับา ป, าบาปะนะแล้วมีย น, นี่สองไม่โกรธแบบนี้ อันนี้สงของความโกรธคืออะไรคนโกรธย่อมมีผิวพรรณซามคนโกรธย่นย่อมนอนเป็นทุกขงง์เาว่างันแล้วก็บอกว่าภัยที่เกิดขึ้นในภายในอ่ะคนโกรธจะไม่รู้สึกเพราะว่าคนโกรธฆ่าสัตว์ก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้ประพฤติผิดในกามก็ได้พูดเท็ศพูดคํำยาพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดมีอภิชามีพยาบาทแล้วก็เป็นเป็นไปเพื่อมิจฉาทิฏฐิก็ได้เนี่ยนะ แล้วก็ถ้าความโกรธเกิดขึ้นเป็นปัจจัยให้อาคูสโวิตกอย่างอื่นๆติดตามมาอีกมากมายเนี่ยนะซึ่งเป็นผลของโทสะอ่า น, นะทีนี้วินัยของพระมีเจ็ดกองถ้าโกรธแล้วเนี่ยทำให้รักษาวินัยข้อบปราชิกได้ไหมไม่ได้สังคาที่เศษสิสามเนี่อรักษาได้ไหมขณะโกรธไม่ได้ น, นะทุลใจเป็นได้ไหมรักษาได้ไหมไม่ได้โอ้เนี่เป็นไปเพื่อล่วงศีลทั้งนั้นเลย ถ้าโกรธแล้วไปว่าใครไปด่าใครไปตําหนิใครเนี่ยกุศลแจิตจะเกิดไหมไม่เกิดอีกเพราะฉะนั้นเป็นไปเพื่อเสียหายหมดเลยเอาแล้วปฏิบัติตามพระสูตรสูตรใ ด, ดสูตรหนึ่งไหมถ้าโกรธแบบนี้เป็นปฏิบัติตามคัมภีรทีคณิกายมัจจิมณิกายสังตุตติกายมีไหมไม่มีซากอย่างเลยนะเอายกอภิธรรมมาไล่อีกนะเสียหายยังไงบ้างเอาตามอภิธรรมมาอีกทีนี้ถ้าหากวาเอาตามเรื่องบา ร, รมีมาจับโกรธแบบนี้บ่อยๆเนี่ยนะเป็นทานะบา ร, รมีไหม เป็นเป็นข้อปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพพานเป็นทานบารมีก็ไม่ได้ศีลบารมีก็ไม่ได้เนคขมมะนี่จะห่างไปเรื่อยห่างไปเรื่อยนะเป็นคนเกียรติครานอีกวิริยะบารมีก็ไม่เกิดขันติบารมีเนี่ยตรงกันข้ามเลยไอ้โทสะอันนี้เป็นตัวทําลายขันติบารมีตรงๆงขาดสัจจะบารมีขาดอธิษฐานบารมีขาดเมตตาบารมีแล้วก็ขาดอุเบกขาบารมีนะอุปปารมีสิบก็ไม่ได้ปรมาธบารมีสิบก็ไม่ได้ บามีอะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะแล้วชื่อว่าเป็นคนปฏิบัติตามคําสอนไหมไม่ปฏิบัติตามคําสอนถ้าด้วยความโกรธแล้วพลุ่งออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งถามว่าใครเป็นคนทําลายคําสอนอา้าวตอนแรกจะมานับถือไม่ใช่เหรอจะมาปฏิบัติตามเนี่ยมาทําลายด้วยมือของตัวเองเลยนะอั ป, ปมงคลเลยโอ้ยเป็นอั ป, ปมงคลอย่างยิ่ง เ, เป็นทางแห่งความเสื่อมด้วยเนี่ยนะเป็นเกล็ดดิบด้วยนะ <c oughs> เป็นกลิ่นเหม็นคาวกลิ่นเนา่ากโอ้กําลังกระจายออกมาเนี่ยนะอันนี้ถ้ากล่าวแบบธรรมะถ้าแบบส่วนตัวเนี่ยนะขณะที่เขาโกรธเนี่ยเขาเผากุศลจิตทั้งหมดเขาเผากุศลธรรมทั้งหมดขณะนั้นเขาเผาศรัทธาศรัทธาจะไม่มีขณะนั้นสติไม่เกิดขณะ น, นั้นไม่มีฮิริโอตตะขณะ น, นั้นไม่มีสุตะไม่มีจาระไม่มีปัญญา นะกรุณาก็ไม่เกิดมุทิตาก็ไม่เกิดเมตตาก็ไม่เกิดนะนะอโลภาก็ไม่เกิดไม่ว่าจะเป็นภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเป็นอกุศลหมดเลยนะกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะพึงเกิดขึ้นไม่มีสักอย่างนะเนี่ยนะฉะนั้นก่อความเสียหายให้มากขึ้นเกี่ยวความโกรธเนี่ยพระองค์ตรัสว่าเป็นอคัคิเป็นไฟเนี่ยนะหรือว่าเป็นของร้อนอย่างนั้นเถอะเป็นของร้อนถามว่าร้อนขนาดไหนเนี่ยนะ เพราะว่าคนโกรธเนี่ยนะถ้าโกรธถึงที่สุดแล้วฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ห่อแล้วก็ทำสังกเภทได้เนี่ยนะท่านทำมณฑริยกรรมได้ถ้าฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสังกเภทนะชาวนะดวงที่เจ็ดตกนรกแน่นอนเนี่ยนะนะตกนรกแน่นอนโดยที่ไม่มีอะไรมาปิดมากั้นว่างั้นแล้วก็ถ้าไปนรกแล้วคันยาวแล้วคนนี้ นะบาปอย่างอื่นอย่างเอื่นเนี่ยโหระดมกันมาอีกนอนถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคใดๆเขาจะเป็นคนมีผิวพันสามเนี่ยนะ น, นะผลของความโกรธเนี่ยทาให้มีผิวพันสามเนี่ยนะชาติหลังๆเขาจะเป็นคนมีผิวพันตามถ้าโกรธมากก็เออถ้าเราสังเกตตีหน้าคนเนี่ยบางคนเนี่ยหน้า ย, ยับไม่เท่ากันนะ <c oughs> ตราบบาปมาไม่เท่ากันว่ <c oughs> างั้นผลพวกของความโกรธทํ า, าอดีตมาม า, มากเลยก็มันก็น่าเกลียดเท่านั้นแหละก็ ความโกรธนี่ใครอยากเห็นบ้างไงไหมก็อยากเห็นคนหน้าตามีเมตตากันทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้น อ, อผลของความโกรธเนี่ยนะบางคนเนี่ยขออภยยัยไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นหน้าคนเลยะนะเออหน้าของบางคนไม่อยากเชื่อว่าจะเป็นหน้าคนเลยวันก่อนเนี่ยนั่งไปกับผู้การนั่นแหละโอ้นี่ก็เป็นเนื่อเหมือนกันนะยิ่งบางคนที่ถูกน้ํำกรดสาดหน้าเนี่ยนะมันดูไม่ได้เลยอะเพราะผิวพันธ์เนี่ยหน้ารังเกียจที่สุดเลย ที่ที่เป็นลักษณะนั้นคือเป็นผลของความโกรธฉะั้นคนที่โกรธขนาดไปทําบุญเนี่ยนะบุญมันให้ผลเนี่ยนะไอ้ความโกรธไปเบียดเบียนให้กลายเป็นคนขี้เหร่ไปเลยก็คล้ายๆกับ น, นางปันจะปาปีอ่ะนะมีตรา บ, บาปตั้งห้าแห่งในตัวนะเขาบอกว่าถ้ากลางวันใครมองเห็นโอ๊ยใครมาปล่อยปีศาจให้มาเดินแถวนี้เนี่ยนะว่าเป็นที่น่ารังเกียจขนาดนั้นอันนี้เป็นผลของความโกรธแล้ววจีที่เขาพูดออกมาเป็นวจีทุจริตเนี่ยนะ นนมูสาวา่าปิสุนาวาจาพุสววาจาสัมผัสตลาป ะ, ปะไม่ยากนะแล้วเ อ, เอความโกรธอ น, นั้นเนี่ยนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยไลไปกับบาปไปอกุศนหมดเพราะฉะนั้นเจตนากรรมเหล่านั้นเนี่ยนะให้ผลทั้งโลกนี้ให้ผลทั้งโลกหน้าเป็นความที่ไปตัดบันไดสวรรค์เป็นเป็นไม้กาก บ, บาด ท, ที่ไปปิดประตูนิพพานอย่างนั้นมันก่อความเสียหายให้มากม เขาบอกว่าไอ้ความโกรธเนี่ยนะถ้าเป็นพระเป็นเนนด้วยแล้วเนี่ยขนาดครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนก็จะรับโอวาทไม่ได้เนี่ยนะรับโอวาทไม่ได้เพราะฉะนั้นวินัยหลายๆข้อเนี่ยนะที่ล่วงละเมิดเนี่ยมีโทสะเป็นสมุทฐานเนี่ยนะมีโทสะเป็นสมุทฐานเช่นปราชิกข้อปานาติบาตก็มีโทสะเป็นสมุทฐานสามารถฆ่าคนก็ได้ น, นะสังฆาธิเศษเนี่ยนะถ้าโกรธเพื่อนสหธรรมิกตามโจดเลย นะตามโจทยดรูปใดรูปหนึ่งเนี่ยนะเรารู้อยู่ว่าท่านไม่ได้เป็นปราชิกเราโจดด้วยปราชิกท่านเท่ากับเราไปปล้นไอ้ศีลของท่านเลยเพราะฉะนั้นถ้าไปโจดพระที่ไม่ได้เป็นปราชิกว่าองค์นี้เป็นปราชิกถ้าเราโจดตรงๆเป็นอาบัตสังฆาธิเศษนะหรือหาเลสโจทเนี่ยนะคือเอาเลสอย่างใดอย่างหนึ่งแห่งเอก เ, อ เ, อ เ, อ เ, อเอทศให้เป็นอธิกรแล้วตามโจดแล้วองค์นี้เป็นปราชิกก็เป็นสังฆาธิเศษ แล้วก็สามารถเป็นอบัติอีกทั้งหลายข้อเลยนะซึ่งมีเป็นผลมาจากโพสะอย่างเดียวเนี่ยนะมันทําลายทําลายตัวเองอย่างเดียวว่างั้นแตะถ้าโกรธพระพุทธเจ้าเนี่ยถามว่าพระองค์เสียไหมพระองค์ก็อยู่ตามเดิมของพระองค์นั่นแหละนะเหมือนกับเราโกรธแล้วถลึงตาจ้องดูดวงอาทิตย์เลยนะโกรธแล้วเกนเนี่ยจะมองให้ดวงอาทิตย์เนี่ยนะร่วงเลยนะทําได้ไหม่าบอดก่อนแน่นอนนั่นแหละ พระพุทธเจ้ายัางไงพง์ก็ไม่เสียหายหรอกพระธรรมคาสอนก็ไม่เสียพระสงฆ์ก็ไม่ไม่เสียหายแต่คนที่โกรธนั่นแหละเขาบอกว่าความโกรธแล้วคิดประทุสาร้ายผู้ใดถ้ายิ่งไปคิดประทุสาร้ายต่อผู้ที่ไม่ประทุสารายแล้วก็เหมือนกับโยนฝุ่นเนี่ยเพื่อที่จะซัดแล้วก็ทวนลมนี่นะอันทำลายเขาโดยส่วนเดียวคําว่าประมาทของเรานี่หมายถึงการที่ปล่อยจิตให้เป็นไปกับอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งนะ คำว่าประมาทในทางธรรมะเนี่ยคือการที่เราปล่อยจิตให้เป็นไปกับอกุศลเช่นตามองเห็นรูปถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะขณะนั้นก็ชื่อว่าประมาทนะเนียถือโดยสุภาณิมิตปฏิฆานิมิตขณะนั้นก็ประมาทหูฟังเสียงไม่รู้เนี่ยเป็นการประมาทนะครับคือเออนั่นก็เรียกว่ารู้เท่าไม่ถึงกันก็นับว่ามีโทษอยู่แล้วเพราะว่าอวิชชาเนี่ยนะเกิดที่ไหนก็มีโทษที่นั่นแหละความไม่รู้เนี่ยนะเป็นศีรษะของสังสารวัตนียนะ ชีวิตของศาตร์ทั้งหลายเนี่ยดำเนินไปเนี่ยนะที่เป็นมาอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะอาวิชชาเป็นเป็นปัจจัยนะแต่กำลังดำเนินชีวิตไปด้วยอำนาจของตันหาเพราะฉะนั้นไออวิชชาเนี่ยเป็นวัตถมูลในอดีตตันหาเป็นวัตถมูลในปัจจุบันเนี่ยนะเพราะใ น, นความไม่รู้นับว่ามีโทษที่สุดในในบรรดากิเลส ท, ทั้งหลายโมหะเจตน ของเราไม่ต้องรอให้ว่าเออเป็นผ้ารหารก่อนแล้วค่อยละโมหะนะเพราะว่าผู้ที่จะละได้เด็ดขาดจริงๆแต่ว่าขณะไหนที่เราทั้งหลายกุศลและจิตเกิดขณะนั้นก็ไม่มีโมหะเนี่ยนะะเพราะว่าถ้าหากว่าเราปล่อยให้โมหะเกิดบ่อยๆเนี่ยนะสัตว์ที่มากไปด้วยโมหะคืออะไรรู้ไหมสัตว์ตตเดรชาสัตว์เดรชานเนี่ยมากไปด้วยโมหะเคยดูมดมันเดินไหมแล้วทีนี้มาคิดถึงเราเดินน่ะ กับมดเดินเนี่ยต่างกันตรงไหนเห็นไหมสมมติมดเนี่ยมันคิดถึงอาหารใช่ไหมมันก็เดินไปเพื่อที่จะเอาอาหารเนี่ยนะเดินหลบกันบ้างอะไรกันบ้างชนกันบ้างมันก็หลบเดินงมๆงๆ่ไปนั่นแหละแล้วเวลาเราเดินเนี่ยนะเดินไปสักแห่งใดแห่งหนึ่งเนี่ยนะเราก็คิดไปเรื่อยเนี่ยนะถามว่าเรากับมดฉลาดกับกันตรงไหนเราจะเห็นว่าขณะนั้นเนี่ยเราปล่อยจิตไม่ต่างกันนะัก ถามว่าเรากับมดต่างกันตรงที่ว่าวิบากและกรรมมชรูปแตกต่างกันเท่านั้นเอง น, น, นะโดยสภาพจิตแล้วไม่ต่างกันแต่ว่าโดยภวังขจิตเนี่ยนะมดเนี่ยปฏิสนธิด้วยอหติตกะวิบากของเราปฏิสนธิด้วยมหาวิบากหรือเร่อกมหากุศลเนี่ยนะผลของมหากุศลเนี่ยนะกรรมมชรูปก็เป็นผลของบุญอันนั้นเป็นผลของบาปแต่โดยสภาพของชวนะแล้วไม่แตกต่างกันนะ เมื่อไม่แตกต่างกันเนี่ยแสดงว่าไอ้ปฏิปทาเพื่อไปสู่ภพนั้นๆเนี่ยเราได้ทําเหตุนั้นนั้นไปแล้วล่ะเพราะฉะนั้นคติที่ไปของศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่น่าน่าเป็นห่วงที่สุดเลยนะเพราะว่าเขาปล่อยจิตของเขาไปเนี่ยไอ้ที่จริงไอ้ตกนรกเป็นต้นเนี่ยนะไม่ใช่ใครผู้ใดผู้หนึ่งไปทําให้เขาขึ้นสวรรค์ก็ไม่ได้ใครผู้ใดผู้หนึ่งไปทําให้เขาแต่สภาพจิตของเขานั่นแหละเป็นเป็นตัวพาไปเห็นไหย เพราะว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สําเร็จแล้วแต่ใจเหมือนกันเพราะถ้าหากว่าไอโทสะโลภะโมหะเข้าไปกลุ่มรุมเมื่อไหร่เนี่ยนะทุกคติก็หวังได้คำว่างั้นความทุกข์อย่างอื่นก็จะประดังเข้ามาส่วนที่เราไม่น่าประมาทอย่างหนึ่งเนี่ยนะอย่าปล่อยใจอย่าเผลอตัวให้ตกนรกชะละเนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ยุคหน้านี่ก็น่าเสียงเหมือนกัน ของมาเนี่ยกลัวมนุษย์กับอบายเนี่ยตอนนี้จะพอๆกันแล้ถามว่าทําไมจึงน่ากลัวขนาดนั้นคือเมื่อไหร่เราจะได้มีสัมมาทิฏฐิอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะถ้ามามาเป็นมนุษย์ยุคหน้าเนี่ยนะใครจะพูดธรรมะให้เราฟังเราเกิดมาเนี่ยเอางี้นะถ้าเขาจะส่งเราเรียนโรงเรียนของพระพุทธศาสนาหรือสอนไปอยู่โรงเรียนอื่นเราก็จะได้รับปลูกฝังมางนั้นธรรมชาติของจิตเนี่ยนะมันแล้วแต่อุปนิสัย พอมาได้ปัจจัยความคิดก็เกิดได้ปัจจัยความคิดก็เกิดจริงอยู่ถึงเราสะสมบุญเพื่อสําเร็จธรรมมีแต่พอไปได้ป่าปมิตรเนี่ยนะบุญที่ทําไว้เนี่ยไม่มีโอกาสให้ผลเลยนะเหมือนกับพระสุทินอะ่ะพระสุทินเนี่ยนะอุปนิสัยแห่งมรรคผลท่านมีแต่เพราะอาศัยแม่อะ่ะทําให้ท่า น, น, ม, ม, ลลนนะ ม, มันไม่ได้บรรลุมรรคผลเลยเนี่ยนะเพราะแม่ทําให้แม่ไม่ได้บรรลุมรรคผลเลยเพราะว่าแม่เนี่ยไปอ้อนวอนให้ศึกอย่างเดียว ไปไปขอร้องให้ศึกอย่างเดียวเลยนะจนถึงกับท่านเนี่ยไปเป็นไอ้ที่เรียกว่าต้นบัญญัติแห่งปฐมป ร, ราชิกเลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ตาบาป ท, ที่ท่านทําไว้ในตอนนั้นเนี่ยท่านเสียใจมากเลยนะเนี่ยเป็นเหมือนกับแผลใจทั้งชาติเลยพร้อมเหลืองเป็นโรคพร้อมเหลืองเลยนะเพราะว่าไอ้การเกี่ยวข้องกับคนเนี่ยนับว่ามีความสําคัญมากถ้ายุคหน้าต่อๆไปเนี่ยนะถามว่าเราจะไปหากัลยาณมิตรที่ไหน ที่เขาพาให้เราถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะจริงๆเนี่ยนะที่เขาจะพาให้เราพระพุทธเจ้าดีนะประธรรมดีนะพระสงฆ์ดีนะหายากเนี่ยนะเพราะว่าอภิชาเนี่ยค่อนข้างมากเนี่ยนะว่ามนุษย์ยุคต่อๆไปเนี่ยอภิชาก็มากจริงๆเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์ของคนอื่นเนี่ยมันมากในใ น, ใ น, ในจิตสันดาลเนี่ยจะมากอันเกี่ยวข้องกันไปในลักษณะว่าเขาจะให้อะไรเราได้บ้างก็จะเกี่ยวข้องกันในลักษณะนี้อยู่ตลอดเวลา ที่จะทำหน้าที่เป็นกรารยาณมิตรซึ่งการและการนี่ก็ก็หายากเมื่อเราไปอยู่ในสังคมแบบนั้นเนี่ยนะเราก็จะเป็นปาประมิตรให้อีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกันนะเราก็จะอยู่ในสภาพที่ไม่ไม่แตกต่างกันมันเข้ามาสองพันหรกว่าปีเข้ามาครึ่ง น, นะเดี๋ยวครึ่งเดียวปัญหามจะสูญจากใจเราก่อนเนี่ยทีนะคือถึงอยู่ห้าพันปีถ้าแต่ใจเราไม่นับถือแล้วล่ะมันก็หมดตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นแหละเนี่ยนะ จริงอยู่ว่าห้าพันปีก็จริงแต่อย่าลืมว่ามีเพื่อคนมีบุญเท่านั้นเองเนี่นยนะเขาเรียกว่าเป็นรัตตนะนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าพุทธรัตนะธรรมรัตนะแล้วก็สังครัตนะตคําว่าคำว่ารัตนะเนี่ยแปลว่าเป็นที่บริโภค ข, ของคนมีบุญคำวา่างั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าบาปบางอย่างเราให้ผลเนี่ยนะอดเลย <c oughs> ก็มีมีปริภาชกคนหนึ่งมหาสกุลุทายิปริภาชก ไม่ได้บวชเลยนะเพราะอุปนิสัยบางอย่างเนี่ยตราบาปบางอย่างที่ทำํำมาอยากบวชก็ไม่ได้บวชมีคนขวางไว้ตลอดเลยทําให้ไม่ได้บวชลูกศิษย์เนี่ยกันว่าโอ้อาจารย์เป็นอาจารย์แล้วอย่าไปบวชเลยเนี่ยนะมาห้ามไม่ให้อาจารย์บวช <c oughs> นะเป็นเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนโด่งดังแลว้วเนี่ยนะอย่าไปบวชเลยว่า ง, งาั้นบวชแล้วก็ไปเป็นอันเตวาศิษย์เขาไปเป็นลูกศิษย์เขาเอานะเพราะบางทีเนี่ยมิตรเกี่ยวข้องเนี่ย สำคัญมากเพราะกัลยานามิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของของพรหมจรรย์เลยทีเดียวนะถ้าหากว่าเราไม่มีโอกาสได้รู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะการที่เราจะนับถือคุณจริงๆเนี่ยง่ายไหมเดยไม่ดีเราก็อาชีพตัดเตียนพระอีกนั่นแหละใช่ไหมค้าอย่างนี้ก็ได้สามารถทำได้หมดเลยหรือดีไม่ดีก็จะไปหนักแน่นในเรื่องมิจฉาทิฐิด้วยซ้าไปเพราะอะไรเพราะเชื่อมันยังมีอ่ะนะ เชื้อมันมีอ่ะเชื้อไหนบางที่ไม่มีตราบใดที่ยังมีขันห้านะเชื้อแห่งมิจฉาทิฏฐิจะมีทั้งหมดเลยในสังยุตตนิกายนีทานาขันธวรวักเนี่ยกล่าวว่ามิจฉาทิฏฐิทุกชนิดมีขันเป็นมูลเนนะเกิดจากขันห้าถ้าอะไรยังมีขันท่านะที่จะไม่เป็นมิจฉาทิฐิเป็นไปไม่ได้ในที่สุดเห็นขี้วัวเรายังว่าเป็นมงคลเลยอะ่ะเชื่อไหม เห็นขี้วัวนี่เป็นมงคลนะถ้าใครตื่นเช้ามาได้จับขี้วัวนี่เป็นมงคลทำมาค่าขึ้นกำลังกันเอาแบบนั้นเลยนะหรือว่าต้องไปอาบน้ําจะต้องแม่น้ำโน้นนะต้องกินน้ําแม่น้ํานี้นะจะต้องอย่างงี้ย่างงี้ย่างางี้เป็นต้นเพราะว่าไม่รู้อะไรดีอะไรชั่วอะไรบุญอะไรบาปดีไม่ดีไปเป็นไอเป็นชนเผ่าบางชนเผ่าเนี่นะเขาบอกว่าถ้าพ่อแม่อายุมากๆาแล้วนะเขาก็จะให้ขึ้นต้นไม้ ถ้าเขย่าแล้วตกเนี่ยเขาบอกว่าถึงเวลาตายได้แล้วเขาฆ่าเองเนะไม่ปล่อยให้ตายหรอกเขาลูกจะฆ่ามันเป็นรับที่ไปแล้วอ่ะเป็นทิฏฐิเขาถือว่าการฆ่าอย่างนั้นไม่ผิดหารู้ไหมว่านั่นคืออนันตริยกรรมมีโทษมากมายมหาศาลยิ่งยุคต่อต่อไปเนี่ยนะคนก็จะไม่เห็นบุญคุณของพ่อแม่เมื่อไม่รู้บุญคุณของพ่อแม่เนี่ยซึ่งเป็นผ้าอรหันต์ของเขาอ่ะก็จะทาบาปทากรรมกับพ่อกับแม่ ทีนี้บาปกรรมที่ทำกับพ่อกับแม่เนี่ยมีมากมายมหาศาลยิ่งนะ น, นะก็จะเกี่ยวข้องกับผู้มีคุณแล้วก็โทษอนันตริยกรรมก็จะเป็นไม่ยากยิ่งยุคต่อไปยาเสพติดมันมากใช่ไหมเสี่ยยาเสพติดมาเนี่ยบางทีฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้ไม่ยากนะนะที่ถ้าถ้ากำลังติดยาเนะเพราะว่าขณะนั้นจะไม่มีความคิดอะไรเลยจะไม่มีสติแยกบุญแยกบาปแยกดีแยกชั่วไม่มีซากอย่างพ่อแม่ฆ่าไม่ยากเช่นออไป ไปถ่ายเงินเนี่ยนะเพื่อจะไปซื้อยาเนี่ยถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่จ่ายเนี่ยก็ระวังอะ่ะเนี่ยนะแล้วก็มิจฉาทิฏฐิก็ระบาดกรรมสามารถทำกรรมได้หนักๆตั้งหลายข้อเนี่ยนะอนันตริยกรรมเป็นต้นแล้วความคิดทั้งชาติเนี่ยนะจิตทุกดวงเนี่ยเกิดขึ้นมาเขาจะสะสมสันดานเขาสะสมอุปนิสัยสิ่งใดก็ตามที่เรานึกคิดไว้สิ่งนั้นจะไปเป็นอุปนิสัยต่อไปได้หมด ไปเป็นอุปนิสัยได้ทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วดีเป็นปัจจัยให้ชั่วก็ได้ชั่วเป็นปัจจัยให้ดีก็ได้มันสับสนวุ่นวายไปหมดแหละความคิดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้การที่เรามีโอกาสมีพระพุทธเจ้าเป็นสาระมีพระธรรมเป็นสาระแล้วก็มีพระสงฆ์เป็นสาระแล้วมีจิตที่เป็นไปกับสิกขาทั้งสามเนี่ยนะที่เรียกว่าอริยทรัพย์เหล่านี้กว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ของง่ายง่ายอย่างนั้นแันผู้ที่รักษามไม่ได้ก็ก็อย่างว่า เจตนาจะยุติธรรมกับเขาที่สุดเนี่ยนะแต่ที่นี้่เจตนามันยุติธรรมที่สุดน่ะนี่น่ากลั ว, วนะเพราะฉะนั้นเออนี้ลักษณะหนึ่งก็เป็นโทษของสังสารวัตที่ที่เราจะต้องเกี่ยวข้องอยู่บางสูตรเนี่ยกล่าวถึงว่าเลือดนะเนีเลือดที่เราจะต้องสูญเสียในในสังสารวัตเนี่ยมากกว่าน้ําในเทะเลมหาสมุทรเนี่ยนะจะต้องเสียเลือดไปอีกนานอย่างเงี้ยน้ําตาเนี่ยก็บอกว่าชาติหนึ่งเอาขันมารองไว้นะ ชาติหนึ่งได้ถึงขันหนึ่งไหมถึงนะน่าจะถึงนะทั้งน้ําตาเข้าตาอะไรต่างๆเราเนี่ยนะถ้ามันที่มันหยดออกมานะด้วยโทสะเป็นปสมุทานเนี่ยนะรวมทุกชาติล้มากกว่าน้ำในมหาสมุทรรวมทุกชาติมากกว่าน้ำมาหาสมุทรว่างกันแสดงว่าโอ้โหมันสังสารวัฏเนี่ยน่ากลัวขนาดไหนเพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่าเพียงพอแล้วละที่จะเบือนหน่ายนะว่างกันเถอะพอแล้วละพอที่จะเบือนหน่ายพอที่จะคลายกําหนัดได้นะพอที่จะไม่เพลิดเพลินในอารมณ์ทั้งหลาย เพราะฉะนั้นการที่จะไม่เพลิดเพลินในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นนั้นได้จะต้องใคร่ครวญถึงความจริงของอารมณ์นั้นว่าทุกๆอารมณ์ก่อให้เกิดคุณอย่างไรก่อให้เกิดโทษอย่างไรอารมณ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องทุกๆอารมณ์เลยเนะก่อให้เกิดการรักษาศีลได้อย่างไรก่อให้เกิดการทุศีลอะไรได้บ้างถ้าเราคิดได้เท่าไหร่อันนั้นคือกรรมของเราแท้ๆเลยนะทั้งประโยชน์ทั้งความสุขเนี่ยนะก็อยู่ที่ที่ความคิดเหล่านั้นะ พระองค์บอกว่าปัญญาเนี่ยเป็นรัตนะที่ประเสริฐเนี่ยนะปัญญานี่เหมือนกับแสงสว่างเพราะฉะนั้นพยายามที่จะเอาคําสอนเหล่านั้นไปาศาสตร์ส่องไปวิจัยในทุกๆอารมณ์เลยนะไปสอดส่องแต่ว่าเราในฐานะที่เรียกว่าสิทธิ์มีอาจารย์ใช่มสิทธิ์สภาวูปคัมมะนะถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นอาจารย์ถึงพระธรรมเป็นอาจารย์ถึงพระสงฆ์ว่าเป็นอาจารย์เนี่ยนะท่านว่ายังไง ท, ทําำยังไงที่เราจะคิดตามกับ คิดตามท่านมากที่สุดเท่าที่จะทําได้เขาเรียกว่าทํำยังไงที่จะใส่ใจในคําสอนให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้อันภาระของสาวกทั้งหลายก็คือปฏิบัติตามโอวาทและอนุสาสนีเราทําได้เท่าไหร่นั่นคือทรัพย์ของเราจริงๆเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้แหละที่จะต้องก็ว่าไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งทําแทนเราได้สมณะพราหมณ์ทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะประพฤติแทนเราได้เนี่ยนะผู้ใดผู้หนึ่งก็ทําแทนเราไม่ได้ เพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสในลักษณะว่าตนนั่นแหลเป็นที่พึ่งของของตนเนี่ยนะเป็นไปตามอนุภาพของจิตเนี่ยนะนะแต่ถ้าจิตเหล่านี้ถ้าตั้งอัตตะสัมมาปณิทิไว้ดีนะมีคุณเหมือนกับมีคุณยิ่งกว่ายิ่งกว่าอะไรยิ่งกว่ามารดาอีกเนี่ยนะนะยิ่งกว่าแม่เขาบอกว่าแม่อย่างมากก็ให้สมบัติจักรพรรดิสมบัติอย่างเดียวแต่จิตที่ตั้งไว้ดีเนี่ยนะสามารถยังโลกุตระสมบัติให้เกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นอยู่ที่อัตตะสัมมาปณิทิอันอัตตะสัมมาปณิทิผู้ที่ตั้งจิตเนี่ยนะเดินตามพระรัตนตรัยเนี่ยแต่อย่าเลยว่าเดินตามแบบคนเข้าใจนะถ้าบอกว่าเออฉันขอเดินตามพระรัตนตรยัยบอกพระพุทธเจ้าเป็นใครอย่างเงี้ยเจ้าชายศรท ธ, ธาตะโอไทยอย่างเงี้ก็หมายอีกนานเหลือกเกินฟังดูล้ละ